ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจตกอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอาจจะเป็นความพัฒราสูญเสียหรือว่าการกระทบกระทั่งคนเรามีทางเลือกเสมอเราจะเลือกไปทางความทุกข์หรือจะหันไปสู่ความไม่ทุกข์ จึงเลยไปจากนั้นก็คือความสุขมันมีทางแพร่งให้เราเลือกทุกครั้งอันนี้เป็นสิทธิพิเศษก็ได้ของการเป็นมนุษย์มนุษย์เราต่างจากสัตว์นะอย่างยกตัวอย่างที่นี่สมัยก่อนเราก็ตีะระฆังทำวัดเราไม่ได้ใช้ของเวลาตีะระฆัง หมาที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆนะสาระไก่สมัยนั้นเราทำวาที่สาระไก่กันมันก็จะร้องตีดังมันก็ร้องดังตีถีมันก็ร้องถีตีค่อยมันก็ร้องค่อยจะเป็นงี้ตลอดตีปุ๊บร้องปั๊บตีปุ๊บร้องปั๊บมันเป็นอัตโนมัติมันไม่มีทางเลือกอันนี้สัตว์เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เรา ไม่เป็นอย่างนั้นแต่บ่อยครั้งเราก็เผลอปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็โกรธปั๊บเลยหรือบางคนไปไกลกว่า น, นั้นได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็ด่าตอบปั๊บเลยอย่างที่เราปากไวใจเร็วคนเราไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในกับดักแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นคือเลี้ยว เข้าทางที่เป็นความทุกข์ไม่เคยเลือกที่จะเลี้ยวไปสู่ทางแห่งความไม่ทุกข์หรือว่าความสุขเท่าไหร่คร น, นี้อะไรที่ทําให้เราชอบเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางของความทุกข์สาเหตุก็คือความเคยชินความเคยชินเราชินกับการที่จะโกรธ เวลาเจอเสิ่งที่ไม่พอใจเสียงที่ไม่ไพเราะอาหารที่ไม่อร่อยใหม่ๆก็อาจจะไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะเริ่มต้นด้จากความลำคาญก่อนเสียงดังรู้สึกลาคาญแต่พอลำคาญบ่อยเข้ามันก็ขยายมาเป็นความหมงุดหงิดพอหงุดหงิดบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธแล้พอโกรธบ่อยๆเข้า ก็เลยกรวดเลือ่อยไฟเป็นอัตโนมัติในต่างจากเวลาเรามือเราถูกไฟเราก็จะรีดถอนมือถอนนิ้วออกมาทำโดยไม่ตั้งใจทำโดยที่ไม่ทันต้องสั่งเียอัตโนมัติมันเป็นรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์ของจิตเวลาเราประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วไม่ว่าทางตาคือจมูกนิดเราก็กรวดทันที แต่ที่จริงมันไม่ใช่รีเฟลกตแต่มันเป็นการสะสมนะเป็นการสะสมความเคยชินที่เราเรียกว่าอนุสัยอนุสัยนีนะ่คือสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ในพระตัวกิเลสสะสมมากๆเข้ามันก็จะมีปฏิกิริยาเร็วเข้านะเพราะความสะสมของมันอันนี้เรียกว่าความเคยชินนะคนที่ปากไวใจเร็วก็จะ เป็นเพราะเหตุนี้นะแล้วนี่ปัจจัยนี้สําคัญมากซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเคยชินก็คือความความหลงนะความหลงหลงคือไม่รู้มับางทีเราก็แปลว่าโง่ไปเลยนะไม่รู้ไม่รู้อะไรบ้างมันไม่รู้หลายๆเรื่องเช่นอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักคนที่เข้ามาต่อว่าเราดีไม่รู้ว่าคนนี้มีนิสัยอย่างนี้เราก็เลยเผลอไป ไม่รู้ว่าเขาขุดบ่ลอล่อปลาเอาไว้แล้วว่าจะให้เราพูดอย่างนั้นก็เขารู้นิสัยเราก็าเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับ น, นักมวยนักมวยนี่ก็ต้องหาทางทำให้คู่ต่อสู้น้พลาดเขาก็รู้ว่คู่ต่อสู้คนนี้เป็นคนที่ขี้โกรธมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้พอยั่วยุไปเรื่อยๆ นอกมวยคนนั้นก็เผลอที่เผลอนี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็ไม่รู้แผนการของคู่ต่อสู้อันนี้เราก็เรียกว่าความหลงความไม่รู้แต่ไม่รู้ที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่สําคัญมากเลยไม่รู้อย่างอื่นนี่ก็ยังถือว่าเป็นลองไม่รู้ตัว เวลาเราทุกเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกจะเป็นเสียงจะเป็นคนอื่นจะเป็นเหตุการณ์ความพัดพลาดความจุดความป่วยของหายถ้าเรารู้ทันมันก็หายแต่ของแต่ใจไม่หายใจไม่เสียด้วย แต่เพราะความไม่รู้ตัวนี่แหละพอไม่รู้ตัวมีอารมณ์มันผลขึ้นมาในใจเป็นปฏิกิริยาแรกซึ่งธรรมดาของหายก็ปฏิกิริยาคือเสียใจหรือโมโหตัวเองว่าไม่น่าหวังของเอาไว้หรือไม่น่าไว้ใจคนข้าง หรืออา จ, จะโกรธปฏิกิริยาปฏิกิกริยาแรกคือโกรธแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆมันไม่แรงในช่วงวินาทีแรกในช่วงไม่กี่นาทีแรกเนี่ยมันมันไม่แรงแต่พอเราไม่รู้ตัวมันก็ค่อยๆมาจู่โจมแล้วก็ครอบงาจิตใจของเราบางครั้งมันมาแบบแทรกซึมค่อยซึมก็ ค, ค่อยสะสม ตัวจงมระทั่งกว่าจะรู้มันก็เล่นงานเราไปเยอะแล้วแต่บางครั้งก็มาแบบจู่โจมโดยเพพาะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแต่เราเผลอเลยนะที่มันเข้ามาได้เพราะเราเผลอเราไม่รู้ตัวถ้าเรามีสติรู้ตัวทันทีที่มันเกิดขึ้น เราก็ส ก, กัดกั้นหรือดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นได้สตินี่เขาก็เปรียบเหมือนกับคนเฝ้าประตูเมืองนะคนเฝ้าประตูเมืองที่เก่งที่สามารถเขาก็สามารถจะส ก, กัดกัน้นศัตรูหรือว่าพวกเจรชนสอดแนมไม่ให้เข้าไปได้แต่ถ้าเขาไม่มีความเข้มแข็ง เช่นเขาหลับยามหรือว่าไม่มีความเิลีวฉลาดไม่มีความไวไม่มีความช่างสังเกตไม่สามารถจับพิรุธของศัตรูหรือว่าจรชนได้นั้นก็สามารถสอดแทรกเข้าไปใสแล้วเข้าไปก็วางเพลิงแล้วเนี่ยวางเพลิงก่อความวุ่นวายฟั น, ฟนป่วนไปหมดนะมันเริ่มต้นมาจากด่านแรกก็คือที่ประตูของจิตสตินี่แหละคือ ผู้ที่จะคอยดูแลควบคุมป้องกันไม่ให้อคุสนเข้าไปทำลายก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเรา่ความไม่รู้ตัวนี่สำคัญสติคือความระลึกได้เราก็รวมไปถึงว่าความรู้ตัวด้วยที่จริงในทางปริยัตินะเขาก็จะแยกไว้ชัด สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวัแต่บางทีก็รลมรวงกันไปเนะสติคือความรู้ตัวก็ได้ที่จริงก็เป็นสาแฝกันอยู่แล้วคือถ้าระลึกได้ก็รู้สึกตัวได้เั้นความหลงความไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวพาเราเข้าสู่หนทา ง, างความทุกข์และพอเราเผลอเข้าไปในเส้นทางนี้แล้ว บางทีมันหลงไปเลยนะเหมือนก็หลงป่าออกมาไม่ได้หมุนวนเหมือนกับอยู่ในเขาวงกดอย่างนั้นแหลนะท้องที่ทางออกก็มีแต่ว่าออกมาไม่ได้มันเหมือนกับถุงพลาสติกที่เราแขวนเอาไว้บนเสาเนี่ยบางทีก็จะมีพวกมแมลงตกเข้าไปในนั้นนะ ขึ้นเอยหรือว่าผีเสื้อเอยปกแล้วก็ออกมาไม่ได้บางทีเราดูก็ขำนะดูก็สงสารทันทีปากถุงก็ใหญ่แต่มันไม่ยอมออกมาที่ปากถุงก็บินวนใบวนมาหลงอยู่ในถุงนั่นแหละทางออกก็มีแต่มันไม่เฉลียวใจหรือว่าไม่มองอะไรให้ถี่ถ้วนนี คนเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งนะคือหลงเข้าไปในกับดักแห่งอารมณ์นะหลงเข้าไปในทางแห่งความทุกขนะ์ที่ไม่รู้จักออกสักทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากเลยมันเป็นปัจจัยกันมากระหว่างความไม่รู้ตัวหรือความหลงกับความทุกข์ความโกรธความเศร้าโศกเสียใจขณะเดียวกันไอความโศกความเศร้าเสียใจความโกรธเนี่ย มันก็เป็นตัวเพิ่มให้ความหลงมีมากขึ้นนะมันทำให้ความไม่รู้ตัวมีมากขึ้นเราก็คงจะประสบด้วยตัวเองเวลาเราโกรนี่ทำอะไรผิดพลาดเดก็มทำในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะลืมตัวบ่อยไปอย่างน้องมวยนี่พอเขาโกรนแล้วลเนื่องจากเขาไม่รู้แผนการของคู่ต่อสู้เมืเ่อเขาโกรนเ้าก็ ลืมตัวเมื่อลืมตัวก็แผนการที่วางเอาไว้มันก็พลาดปล่อยสเปะสะปาจนกระทั่งเปิดจุดอ่อนให้อีกฝ่ายมังเขาน็อกได้นะความโกรวมเป็นปัจจัยเกิดความลืมตัวและทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเราเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะมีคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ริมถนนนะก็เป็นทางผ่านของนักเรียนอาชีวะ สองโรงเรียนที่เป็นศัตรูกันเป็นปฏิปักษ์กันนะโงเรียนอาชีวะนี่ก็เวลาเจอกำแพงที่ว่างๆเขาก็จะเอาสีมาพ่นประกาศสักดา ว, ว่าโรงเรียนตัวเองเป็นพ่อโรงเรียนคู่แข่งสีพ่นไปสีพ่นมาก็อาศัยเวทีของคือกำแพงของบ้านงคนคนนี้แหลนะเจ้าของก็อุตส่าห์ติดป้ายว่า กุลนายาขีดเขียนให้สกปกวันรุ่งขึ้นก็พบว่าไอ้ป้านั้นก็ถูกทำลายไปไม่เหลือร่องรอยเอาป้ายาติดอีกมันก็เอาสีมาพ่นต่อมาก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายติดป้ายว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พ้นสีก็ไม่มีความหมายอุตสาห์พอสีมันพ่น เต็มกำแพงก็ก็ต้องไปเอาสีมาทาใหม่เพราะามดูไม่ได้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมสีก็มีการพ่นสีติดกำแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความอดทนเขาก็ถึงขีดสุดลหลังจากที่ความโกรธมาสะสมมากขึ้นแล้วเช้าวันหนึ่งเขาก็ถือสียออกมาพร้อมกับแปรง แต่็จแล้เขียนข้อความโตโตเลยว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นคนแรกที่เป็นหมาเจ้าของเนี่ยนี่เพราะอะไรเขาโกโรธจะลืมตัวอยากจะด่าพวกนักเรียนมือบอลแต่ว่าคนที่ถูกด่าคนแรกคือตัวเองนั่นแหละนั่นะลืมตัวแล้วเราอย่าให้ความกลัวมันเกิดขึ้นนะอย่าให้ความเศร้ามันเกิดขึ้นนะ เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้สะสมมากจนลืมตัวที่วัดนี้ก็มีป้ายติดอยู่ที่ที่ประตูเปิดได้ปิดด้วยนะมีประตูอยู่3มจุดตนะิดป้ายวไว้ว่าเปิดได้ปิดด้วยก็ทำานองเดียวกันนะเราโกรธได้จะให้รู้จักหืดด้วยเศร้าได้นะจะให้รู้จักวางด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันยเยอะ ปฏิบัติจเจริญสติฟุ้งได้นะแต่ให้กลับมาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเราไม่ว่ากันนะคนเราจะโกรธคนเราจะโมโหคนเราจะเศร้าเสียใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันนานต้องรู้จักวางจะวางด้วยอะไรล่ะก็ต้องวางด้วยความรู้สึกตัวคือพอรู้ตัวแล้วสติก็จะมาทําหน้าที่เองเราไม่ต้องทําอะไร กับความฟุ้งซ่านความโกรธความเศร้าเสียใจนี่ถ้าพูดว่าก้าจะพึ่งสติแล้วสติเขาจะมาทำงานนี้เองเหมือนกับว่าความมืดเนี่ยเราเพียงแต่ส่องไฟฉายเข้าไปความสว่างก็ไปขับไล่ความมืดเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเองความสว่างเขาทำหน้าที่ไฟฉายก็ททำหน้าที่แต่เราต้องหาไฟฉายมาพร้อมฐานด้วยแล้ว ไปฉายเขาก็จะทำหน้าที่ไล่ความมืดเองน้ําที่มันเน่าเราไม่ต้องไปไปวิดหรือไปสู่ให้เสียเวลาเรามีวิธีที่ง่ายกว่านะั้นก็คือว่าเราทดน้ําเอาน้ําใสไปไล่น้ําเสียถ้าเรารู้จักทดน้าําใสไล่น้ําเสียเนี่ยนะเราก็ไม่เหนื่อยการเจริญสติก็เพื่อเห็นนี้แหละคือเพื่อเอาสติหรือความรู้ตัวเนี่ยไปไล่ความไม่รู้ตัวความหลง แล้วความรู้ตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วมากๆเมื่อความหลงเกิดขึ้นน้อยมันก็ไม่มีช่องให้ความโกรธความเศร้าความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือฝังลากลึกได้เนี่ยเราพยายามนะพยายามให้ให้สตินี้เกิดขึ้นนองมากทีิจริงไม่ใช่สติอย่างเดียวที่ที่จะมาขับไล่ความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือแม้กระทั่งความกลัว มันมีตัวอื่นอยู่อย่างที่ได้บอกวิธีที่จะทำให้ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ก็มีอีกเช่นความอดทนไม่เป็นไรทนได้สบายมากนะหรือว่าการรู้จักมองให้เห็นในแง่ดีเห็นว่าเออดีที่มันไม่หนักกว่านี้หรือว่าความเมตตาหรือความใส่ใจผู้อื่นอย่างนี้เป็นตน้นรวมทั้งสมาธิ นี่ก็ช่วยได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวเป็นตัวกลุยทางเวันกันนะเป็นตัวกคุยทางันเพราะคนที่ยังไม่คุ้นกับการที่จะใช้วิธีอย่างที่ว่ามาก็ต้องมีสติตั้งหลักคือระลึกได้ว่ามันมีวิธีอื่นมันมีอย่างอื่นที่จะช่วยได้นะมันมีวิธีนี้ที่จะช่วยได้นะสติเป็นตัวระลึกได้ว่าอ้อครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนี้วะนะว่าถ้าโกรธเราต้องทําอย่างนี้นะถ้าเสียใจทําอย่างนี้นะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันนะคือเราลึกได้ว่าเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยมีครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้หรือเคยอ่านหนังสือตรงนี้พบคําว่าสติมีความหมายกว้างเราลึกได้ก็ใช่รู้ตัวก็ใช่เน้นถ้าพูดอย่างความหมายรวมๆไปก็คือว่าสติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือเหนียวอารมณ์มาสู่จิตหรือ ควบคุมกำกับจิตไว้กับอารมณ์ฟังดูมันเป็นนามนธรรมนะแต่ว่าให้เข้าใจว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้หรือเป็นความคิดหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในความจําก็ได้อย่างเราจําได้ว่าเพื่อนเรานัดเราวันนี้ที่นี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการนัดหมายของเพื่อนที่เก็บไว้ในความจําของเราสติเป็นคนดึงมาดึงมาให้เรารู้อ้อนี่เขา นัดเอาไว้ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ที่นี่นะนี่เป็นหน้าที่ของสติเราเรียกว่าเราลึกได้รวมทั้งการที่จิตของเรากระเดิดเปิดเปิงออกไปแทนที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะหรืออยู่กับลมหายใจสิ่งที่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ร r ยาบท น, นั่นแหละคือสตินะ สตินี้เขาดึงหลายอย่างดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าควบคุมจิตให้มาอยู่ที่อารมณ์ที่เราตั้งไว้เป็นอารมณ์กรรมฐานคือเป็นที่ตั้งของจิตนี่ก็ทําได้ทั้งสองอย่างนะดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าดึงจิตมากํากับอารมณ์เราก็เรียกบางครั้งบังแง่ว่านั่นแหละคือความระลึกได้หรือความรู้ตัว กำลัสงสร้างจังหวะอยู่ใจลอยอ้าวลึกขึ้นมาได้วันนี้ฉันกำลังสร้างจังหวะอยู่นะไอตัวนึกได้นี่คือสติแล้ไม่ได้นึกได้เฉยสติก็จะทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอิริยาบถด้วยนี่แหละคือคือคืองานของสติรวมทั้งเราลึกได้ว่าเออมันมีวิธีการจะจัดการความทุกข์ได้ด้วยนะ มันมีวิธีเทียบเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้เดือนนะวิธีรูจับมองให้เป็นรูจับหยอดให้ได้มีความอดทนขันตเตะเงนั่นสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวกลุือทางที่จะพาเราสู่ทางใหม่เลือกใช้เส้นทางใหม่ก็คือทางแห่งความไม่ทุกข์ทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน เราเรียกทางสายนี้ว่าเป็นทางแห่งกุศลนะเพราะว่ามันจะพาเราไปสู่กุศลธรรมหลายข้อคือปัญญาคือสติคือสมาธิคือเมตตานะแล้วก็มีความสุขหรือความเบิกพ้นนะเป็นที่สุดทางสายนี้มีสตินะเป็นใหญ่มีวิมุตเป็นแก่นมีนิพพานเป็นจุดหมายแต่เราก็ต้องเลือกนะที่จะเดิน ว่าจะไปสู่แพร่งไหนนะคนเราเลือกได้นะว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกขนะ์เราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ใช่ว่าจะต้องให้สถานการณ์มาเป็นตัวเลือกให้เราหรือเป็นตัวกําหนดให้เราว่าถ้าเจอความพลาดพลาดสูญเสียฉันจะทุกข์นะถ้าเจอคนมาต่อว่าฉันก็จะทุกข์นะฉันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่ใช่เราเลือกได้ แต่ที่เราทุกที่เราทุกก็เพราะเป็นเราเลือกเองหรือจะเป็นเพราะว่าความไม่รู้และความหลงความเคยชินเป็นตัวผลักอันนั้นก็ก็พูดได้เหมือนกันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่บางทีเราก็เรียกลมๆไว้ว่าเออฉันทาเองนะแต่ที่จริงพูดก็คือว่าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำให ที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดโจรก็ทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรารู้จักตั้งจิตไว้ถูกอย่างาพระปุนนะที่พูดไวเมื่อวานเขาจะมาคว้างเขาจะมาตีเขาจะมาทุกเขาจะมาด่านะก็ไม่ทำให้ท่านทุกข์ได้เพราะว่าท่านตั้งจิตไว้ถูกคือรู้จักมองให้เป็นมองให้เป็นกุศลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะเป็นหลักเป็นประธานเลย ว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มีท่จจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมหรือว่าสิ่งที่มากระทบ ก, กับเราให่เราลึกว่าเมื่อเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีสิ่งไม่น่าพอใจมากระทบเราเนี่ยให้เรารู้ว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะทุกข์หรือสุขจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราเป็นคนตัดสินใจเองมันไม่ใช่เป็นเพราะคนข้างนอก ไม่ใช่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกพระเจ้ท่านเทวีนาสนใจบอกว่ามือที่ไม่มีแผลนะจับอะไรก็จับได้จับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่ อ, อไหร่อันนี้จับไม่ได้ะอันตรายถ้าอันตรายเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเพราะมือเรามีแผลไม่ใช่เป็นเพราะยาพิษเพราะถ้าถ้ า, ถ า, ถ า, ถามือเราไม่มีแผลจับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายถึงชีวิต แล้ต้องกลับมาดูว่าเออมือเรามีแผลหรือเปล่างั้นถ้าเราทุกข์นี่ก็เพราะใจเรามีแผลนะใจเรามีแผลหรือถ้าเปรียบอย่างเมื่อวานก็คือว่าหลังคาเราปล่อยให้รั่วนะมันไม่ใช่เพราะฝนนะแต่เพราะหลังคาเราปล่อยให้รั่วเราก็ต้องซ่อมแซมาที่มุงที่บางให้แน่นหนามากขึ้นแล้วก็ตัวที่จะมาช่วยให้แผล ในใจของเราสมานไม่เปิดช่องนะก็คือสตินั่นเองเหมือนกับผิวหนังเป็นปราการด่านแรกที่ทำให้คื่โลกนี้เข้าไปในร่างกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีผิวหนังนี้โอ้เราตายไปนานแล้วผิวหนังนี่เป็นปราการด่านแรกเลยคนที่ถูกไฟไหม้โดยการทั้งผิวหนังนี่ถูกเผา6 0สิบเสปซนนี่ก็อันตรายมาก เชื้อโรคเล็กๆนี้มาก็ทำถึงตายได้นั้นยพยายามให้เอาสติมาเป็นปราการด่านแรกของจิตให้ได้นะเป็นนายฟาประตูที่เข้มแข็งฉับไวฉลาดรู้ทันมันจะมาไม่ไหนกิเลสมันจะมาไม่ไหนมาร์มันจะมาไม่ไหนรู้ทันมันจะหลอกให้เราคิดมันจะหลอกให้เราฟุง้งเรารู้ทันลองสังเกตดูว่าสติของเราตอนนี้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้ไหม บอกให้อยู่กับความรู้สึกตัวบอกให้อยู่กับการสร้างจังหวะเดินยองกลมมันหลอกเราไปไหนแล้วบางทีก็บอกว่าฉันห่วงบ้านบางทีก็บอกว่าฉันห่วงงานขอฉันคิดเรื่องงานหน่อยขอฉันนึกถึงรูปถึงพ่อแม่หน่อยมันอยากจะคิดนะตอนนี้ว่ามันกระหายความคิดมันหิวความคิดเราก็จะไปตามใจมันนะแต่ไม่ใช่ไปห้ามมันแต่ต้องรู้ทันว่ามันจะคอยล่อให้เราออกไป ล่อเหมือนกับตัวลายที่คอยล่อให้เราออกจากหลังคาออกจากศารลาเพื่อที่เราจะได้เปลียนออกไปไม่แล้วก็เปลี่ยนวันนั้นเราอย่ากออกไปนะมีความรู้ทันมเพราะฉะนั้นเนี่ก็คอยมีความเพียรตั้งจิตให้มีฉันทะกับการปฏิบัตินะถือว่านี่แหละคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเดินไปสู่ความไม่ทุกข์เดินไปสู่ความสุขได้